ลึกด้วยปัญญาสลัดโลกตรการตาหนข้องเดินที่เยี่ยงศาสดามั่นแนวนักเคยก้าวมักแปดตรงต้องเสพสองนิพพานเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทา ร, รงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดผู้สละโลกครั้งที่หนึ่งจากปลายปรกกาธรรมลิขิของวสิลอินทศร a ขอเชิญท่านติดตามรับฟังเนื้อหาสาระได้ณนะบัดนี้ สมณะรูปหนึ่งผิวพันผ่องใสมีอินรีสงบดำเนินอย่างเชื่องช้าออกจากโคจรคามท่านมีจักสุทอดลงต่ำจะเหลียวซ้ายแลขวาก็เต็มไปด้วยความสำรวมระวังมั่นคงและแจ่มใสผ้าสีเหลืองมนที่คลุมกายแม้จะเป็นผ้าราคาถูกแต่ได้กลายเป็นของสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การเชิดชูบูชาเพราะได้มาหอหุ้มสรีระ ของผู้ทรงศีลมีใจอันประเสริฐใครเห็นก็น้อมกายลงขอรกกาสาวพั่ากาสาวพัตสั ญ, ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์สูงส่งที่พระมหาสมณโคดมบรมศาสดาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเคยตรัสว่าผู้ใดลายกิเลสที่เหนียวแน่นดุดน้ำฝาดได้แล้วมั่นคงในศีลประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์ และมีสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะกาสาวพัดธงชัยแห่งผู้มีชัยคือชนะจิตของตนเองได้แล้วใครเล่าจะรังเกียจกาสาวพัดถ้ากาสายะนั้นห่อหุ้มร่างของบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดสมควรแก่ภูมิชั้นของตนหนุ่มใหญ่สง่างามเครื่องแต่งกายบอกว่าเป็นนักพรต ประเภทปริภาชกได้เดินตามสมณรูปนั้นไปห่างๆกริยาอาการของสมณะจับตาจับใจของเขายิ่งนักเขาคิดว่าภายในของสมณรูปนี้น่าจะมีรัศมีแห่งธรรมอันประเสริฐส่องแสงเจอจ้าอยู่เป็นแน่แท้จึงทำให้ท่านมีอินทรีย์สงบและผ่องใสเช่นนั้นมาถึงบริเวณร่มไม้ใหญ่แห่งหนึ่งสมณะแสดงอาการว่าจะนั่ง ผู้เฝ้าติดตามจึงจัดอาสนะถวายรอคอยท่านฉันไม่กล้าทำอะไรเพราะเกรงใจเห็นอาการที่ท่านฉันยิ่งเลื่อมใสายมากขึ้นท่านฉันอย่างสมรวมเรียบร้อยมีอาการแห่งผู้กําหนดรู้ในอาหารคุณและโทษของอาหารไม่ติดในรถอาหารไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อสนุกสนานอ ร, อร่อยในรถอาหารแต่บริโภคเพื่อให้ร่างกายนี้ ดำรงอยู่ได้เพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเหมือนในช่างให้น้ำมันแก่เครื่องจักรเพื่อให้ทำหน้าที่ของมันต่อไปได้เท่านั้นเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วปริภาชกได้รินน้ำในกุโถของตนเข้าไปถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านพองใสยยิ่งนักมรฑาของท่านงามยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผ่องใสท่านบวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใคร มณะรูปนั้นมองปริภาชกด้วยดวงเนตรที่เปี่ยมด้วยความปราณีดวงตาของท่านแสดงแววแห่งเมตตาและความสงบลึกอยู่ภายในบ่งบอกว่าดวงใจของท่านทองแท้วไร้ลาขีกระแสะเสียงที่นุ่มนวลแจ่มใสผ่านโอดของท่านออกมาว่าดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบทพระาศาสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่เศร้าโศกถึงอดีต ไม่กังวลถึงอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมผิวพรรณของผู้นั้นย่อมผ่องใสแม้จะบริโภคอาหารหนเดียวต่อวันประพฤติพรหมจรรย์สงบนิ่งอยู่ในป่าส่วนผู้ที่มัวเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกังวลหวังอย่างเร่าร้อนต่อสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่อมซูบซี้เศร้าหมองเหมือนไม้สดที่ถูกตัดแล้วกังวลหวังอย่างเร่าร้อนมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้น เขาไม่ค่อยรู้จักรอคออย่างสงบเยือกเย็นเขาไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาบันดาลผลไม่ได้เหตุที่เขาทํานั่นแหละจะบันดาลผลให้เกิดขึ้นเองเหมือนชาวสวนปลูกต้นไม้คอยรดน้ําพรวนดินให้ปุ๋ยป้องกันศัตรูพืชนั่นคือเหตุส่วนการออกดอกออกผลชาวสวนบันดาลไม่ได้กระบวนการธรรมชาติของต้นไม้เองนั่นแหละจะบันดาลให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของตน มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดคุณค่าแห่งชีวิตของตนไว้ให้แน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเมื่อเป็นดังนี้เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้เขาจะไม่พบความพอใจในชีวิตสิทธิแห่งพระถถาคตกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าบวชอุทิศพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สเสด็จออกบวชจากสกฤตระกูลโคตมโคต พระองค์ทรงเป็นสักยมุนีข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระองค์ท่านได้โปรดเถิดท่านผู้เนิรทุกข์ปริพาชกกล่าวเชิงอ้อนวอนอย่างนอบน้อมขอได้โปรดแสดงธรรมที่พระมหาสมณโคดมทรงแสดงแล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านผู้สแสวงสัจจะ สมณะรูปนั้นกล่าวข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้อาการที่ท่านกล่าวอย่างถ่อมตนนั้นเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสแก่ปริภาชกมากขึ้นอีกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าชื่ออุปติสักบุตรแห่งนายบ้านอุปติสักามใกล้ราชครึ่นี่เองขอท่านผู้เจริญได้โปรดจําชื่อของข้าพเจ้าไว้และขอได้โปรดกล่าวทำตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สําคัญการเข้าใจธรำแทงตลอดธรำเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า สิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสบอกเหตุแห่งสิ่งนั้นไว้ด้วยสิ่งนั้นดับไปได้โดยวิธีใดพระตถาคตตรัสบอกวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะมีพระวาจาอันประกอบด้วยเหตุผลอย่างนี้ ราดาสาวกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันเป็นหัวใจแห่งอริยสัจคือธรรมอันเป็นส่วนเหตุและธรรมอันเป็นส่วนผลโดยย่อดังกล่าวมานี้สมุทัยและมักเป็นส่วนเหตุทุกข์และนิโรธเป็นส่วนผลนอกจากนี้ยังดึงเอาหัวใจของปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นและอาศัยกันดับไปมาแสดงณที่นี้ด้วยอุปติสสะปริภาชก ได้ฟังธรรมอันแสดงถึงความเป็นจริงของชีวิตและโลกเพียงเท่านี้ก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันเป็นผู้เข้าสู่กระแสธรรมมีคติแน่นอนไม่ตกตําอีกจะต้องได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนในภายหน้าหากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติปิดอบายสีได้คือไม่ต้องเกิดในนรกเป็นเปเรตอสุรกาย หรือสัตยดือรัชฉานเขากราบสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญเท่านี้พอแล้วไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ข้าพเจ้าอยากทราบว่าเวลานี้พระาศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดอันหนึ่งถ้าพระขุนเจ้าจะโปรดบอกนามของท่านแก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะเป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าหาน้อยไหม สิทธิ์พระสักยมุนีมหาสมณะโคดมพิจารณาถึงประโยชน์แล้วจึงกล่าววาจาว่าท่านผู้สแสวงสัจจะเมื่อพระสิทธัธรมหาบุรุษตัดสินพระไทยสารโลกีสุขอันไม่ยั่งยืนเจือด้วยทุกข์ออกสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหาพิเนสกลมเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะเป็นธรรมอันนำสัตว์ออกไปจากทุกแห่งสังสารวัฏนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้นหนึ่ง ที่ตามเสด็จออกบวชเพื่อว่าพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมใดแล้วจักแสดงธรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าบ้างเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกกิริยาอันเข้มงวดไม่มีผู้ใดทำได้ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่เฝ้าปรนิบัติพระองค์อย่างใกล้ชิดแต่เมื่อพระองค์ทรงเลิกการบำเพ็ญทุกรกกิริยาด้วยเห็นว่าไร้ประโยชน์เป็นการทารุณต่อร่างกายเกินไปแล้ว หันมาสวยพระกยาหารตามปกติเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตให้ได้ผลพวกเราทั้งห้าคนผู้รู้เท่าไม่ถึงการชวนกันพระจากพระองค์ไปเพราะฝังใจเช่นเดียวกับคนอื่นๆส่วนมากในเวลานั้นว่าการทรมานกายเป็นวิธีเดียวที่จะนำไปสู่การบรรลุสัจธรรมพวกเราพากันไปอยู่ณนะอิสิปตนะมิขถายะเขตเมืองพราณสีเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงรำลึกถึงพวกเราทั้งห้าจึงเสด็จจากตำบลอรุเวลาเส น, านิคมเขตราชคลึนี้ไปยังอิศิปตนะมิขถายะเขตเมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมที่ทรงบรรลุแล้วเป็นปฏิการต่ออุปการะของพวกเราที่เคยเฝ้าปรนิบัติพระองค์พระอัทยาศัยอันงามนี้มีอยู่เพียบพร้อมในพระาศาสดาของเราทีแรกพวกเราไม่เชื่อว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้จริง เพราะเห็นท่านเลิกความเพียรทรมานกายเวียนมาเป็นคนมากๆในอาหารและปล่อยตัวให้อยู่สุขสบายฉะนั้นจะบรรลุโลกุตรรธรรมหรืออนุตตรธรรมได้แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่าคำเช่นนี้เราเคยกล่าวกับท่านบ้างหรือตลอดเวลาอันยาวนานที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละพวกเราจึงะระลึกได้ว่าพระองค์มิได้เคยตรัสมาก่อนเลยจึงพร้อมกันตั้งใจฟังธรรม พระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะจับใจงามทั้งเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดประณีตน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าจะขอนำมากล่าวเพียงใจความดังนี้ตอนแรกพระองค์ตรัสบอกว่า บันพทึกควรเว้นทางสองสายคือสายหนึ่งทางชีวิตที่ดําเนินไปเพื่อความหมกมุ่นในกามผัวพันในอารมณ์ใครนานาประการทําให้หลงให้ติดให้ยึดมั่นสยบอยู่ทางนี้เป็นทางต่ําเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์อีกสายหนึ่งทางชีวิตที่เป็นไปเพื่อเข้มงวดกวดขันกับร่างกายเกินไปเรียกอตตะกิมัฐานุโย เป็นไปเพื่อทุกกายทุกใจไม่ประเสริฐไม่มีประโยชน์เมื่อทรงปฏิเสธทางสองสายว่าไม่ควรดําเนินแล้วทรงแสดงทางสายกลางคือการปฏิบัติพอเหมาะพอควรไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินมีความเห็นชอบมีความดําริชอบเป็นต้นเป็นองค์ธรรมตอนที่สองทรงแสดงอริยสัจสัจจะอันประเสริฐเป็นต้นว่าชีวิตคลุกเคลาไปด้วยทุกนานาประการ ความสุขที่แท้จริงของชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมื่อความไข่แห่งราคะโทสะและโมหะถูกกําจัดหรือเยียวยาให้หายแล้วโดยสิ้นเชิงโลกระงมอยู่ด้วยผิดไข้อันเรื้อรังคือตัณหาความร่านใจทยานอยากอันไม่มีขอบเขตสัตว์โลกถูกเพลิงกิเลสและเพลิงทุกแพลเผาให้เ้าร้อนไม่เกลีย่ยแต่ก็ยังโลดแล่นไปในทะเลแห่งความอยากอันเวิงหวาง ความทุกข์ทนหม่นไหม้ต่างๆจึงมีมาความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับให้หมดได้แต่ต้องดำเนินตามมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความดับทุกขนั้นตอนที่ 3, สามทรงบรรลือศีหนาดยางอาถารว่าตราบใดที่ยังไม่ได้รู้อริย ส, สัจสีซึ่งมีสามรอบสิบสองอาการแล้วจะไม่ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุโทโธเลยแต่เพราะได้ทรงรู้จริงในอริยสัจสี่ อันมีสามรอบสิบสองอาการจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบและทรงเน้นว่าพระธรรมจักรที่พระองค์ทรงหมุนไปแล้วนี้ใครจะหมุนกลับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆทั้งสิ้นใครหมุนกลับผู้นั้นเป็นผู้ผิดเป็นผู้ทวนกระแสแห่งความจริงที่ครอบครองโลกอยู่ ก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะพระธรรมเทศนาครั้งนั้นทำให้พระโกนทัญญะหัวหน้าของพวกเราบรรลุโสดาปติผลเป็นโสดาบันยังลงสู่กระแสรพระนิพพานก้าวลงสู่กระแสรธรรมและจะไม่มีวันถอยกลับจากทางสายนี้เป็นอันขาดส่วนอีกสี่ท่านคือท่านพทัทธยวัปปะมหานามะและอสชิยังไม่ได้สำเร็จมรรคผล ชื่อของข้าพเจ้าเป็นอันดับสุดท้ายในห้าคนดังกล่าวมาเมื่อพระอัสชิกล่าวจบลงอุปติสะปริภาชกได้ลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านอัสชิเป็นลาภอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วสิ่งที่พบได้โดยยากข้าพเจ้าได้พบแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นปฐมอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสิ่งนำทางแห่งชีวิตของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอได้โปรดบอกหน่อยเถิดว่าปัดนี้พระผู้มีพระภาคศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดประทับอยู่ที่เวลุวันนี้เองพระอาสชิตตอบ มองดูปริพภาชกสิทธิ์ของท่านอย่างเข้าใจในความรู้สึกของเขา ราดาอุปติสสะปริภาชกได้กราบลาพระอัสชิไปแล้วด้วยดวงใจที่ผ่องแผ้วชุ่มเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอโสดาปฏิผลช่างหน้าอภิรมชมชื่นอะไรเช่นนี้สมแล้วที่พระจอมุนีพุทธเจ้าตรัสว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินประเสริฐกว่าการได้ไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง อันว่าบุคคลที่เคยระหกระเหินมานานวนเวียนหลงทางอยู่ในป่ารกอันน่าวาเสียวด้วยอันตรายนานาประการมีอันตรายจากสัตว์ร้ายและไข่ป่าเป็นต้นได้อาศัยบรุษหนึ่งที่ทางให้ขึ้นสู่มักขาอันจะดำเนินไปสู่แดนกเกษมแม้จะยังอยู่แค่ต้นทางก็ให้รู้สึกโปร่งใจมั่นใจในความปลอดภัยชั้นใดบุคคลผู้ระหกระเหินอยู่ในป่าแห่งสังสารวัตรนี้ก็ฉันนั้น ถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตายความทุกกายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้หวาดวันครั่นพรึงอยู่เนืองนิดถูกความไม่ได้ดังใจปรารถนาบีบคั้นให้ต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเองหวังว่าจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เพราะถึงเวลาเข้าจริงความหวังของเขา กลับกลายเป็นเสมือนภาพอันซ้อนอยู่ในปุ๋ยเมฆพอลมพัดมานิดเดียวภาพนั้นก็พลันเจือจางและเลือนหายด้วยเหตุนี้เสียงที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงระ ง, งมอยู่ในหมู่มนุษย์ตลอดมาความจริงมนุษย์ทุกคนได้เคยสมปรารถนาประสบความสาเร็จในชีวิตเป็นระยะๆะะอยู่เหมือนกันแต่เพราะเมื่อความปรารถนาหรือความหวังอย่างหนึ่งสำเร็จลงแล้ว ความต้องการอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นอีกบางทีก็อาศัยความสําเร็จเดิมนั้นเป็นมูลฐานเขาจึงรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงดิ้นรนอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความอยากความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดเร่าร้อนและว้าเหวหาประมาณไม่ได้ทุกครั้งที่ความปรารถนาเกิดขึ้นในห้วงหัวใจตราบใดที่ยังไม่สมปรารถนา ความเร่าร้อนในหัวใจก็หาดับลงไม่นอกจากเขาจะเลิกปรารถนาสิ่งนั้นเสียความหวังเป็นสิ่งผูกพันชีวิตมนุษย์ไวอย่างยากที่จะแยกออกไปได้ถึงกระนั้นก็ตามมีมนุษย์เป็นอันมากที่ไม่รู้ตอบตัวเองไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนหรือมนุษย์ควรจะต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรเดินเข้าไปหาและขึ้นให้ถึงตราบใดที่มนุษย์ยังต่อปัญหานี้ไม่ได้ ตราบนั้นเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างลังเลไรหวังและวนเวียนเป็นสังสารวัตรไม่รู้ว่าอะไรคือทิศทางของชีวิตเหมือนคนหลงป่าหรือนกหาฝั่งบินวนเวียนอยู่ในสมุทรเพราะหาฝั่งไม่พบแต่พอได้บรรลุธรรม คือโสดาปฏิผลแล้วเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วเขารู้สึกตนได้ทันทีว่าได้ออกจากปลาใหญ่แล้วดำรงตนอยู่ต้นทางอันนำไปสู่แดนเสมแล้วถ้าเปรียบด้วยผู้ดำผุดดำไหว่อยู่ในมหาสมุทรก็เป็นผู้รอยคอขึ้นได้แล้วมองเห็นฝั่งอยู่ข้างหน้ากำลังเดินเข้าหาฝั่งจะต้องขึ้นฝั่งได้แน่นอนไม่จมลงไปอีกลองคิดดูเถิด คนทั้งสองพวกนั้นจะปราบปลื้มปราโมชสักเพียงใดชุ่มเย็นอยู่ด้วยธรรมท่ากลางผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยเพลิงกิเลสเหมือนหญ้าสดในทะเลทรายเพราะได้แหล่งน้ําในทะเลทรายนั่นเองเหล่อเลี้ยงโลกนี้เร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสธรรมเท่านั้นที่จะช่วยดับความเร่าร้อนของโลกได้